สิอาวาสิกกวัตหมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในอาวาสองค์ของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส461ด46ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแลเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสประกอบได้องค์ห้าเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกองค์หคือ 1. ลําลำเอียงเพราะชอบ 2. ลํลำเอียงเพราะชังส ลำเอียงเพราะหลง 4. ล่ลำเอียงเพราะกลัว 5. ใช้สอยของสงดุดของส่วนตัวอุบาลีภิกษุผู้อยู่ในอาวาสประกอบด้วยองค์ห้านี้แลเก็บของสงตามที่นํามาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกอุบาลีภิกษุผู้อยู่ในอาวาสประกอบด้วยองค์ห้า เก็บของสงตามที่นํามาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์องค์าคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. ไม่ใช้สอยของสงดุดของส่วนตัวอุบาลี ภิกษุผู้อยู่ในอาวาสประกอบได้องค์ห้านี้แลเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์การชี้แจงพระวินัยไม่ชอบธรรม462ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการชีแ้แจงพระวินัยที่ไม่ชอบธรรมมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลีการชี้แจงพระวินัยที่ไม่ชอบธรรมมี5้าอย่างคืออุบาลรีภิกษุในธรรมวิไนนี้ 1. กํากำหนดอาธรรมว่าเป็นธรรม 2. กํกำหนดธรรมว่าเป็นอาธรรม 3. กํกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่วิไนว่าเป็นวิไนยัย 4. กำหนดวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินัย 5. บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติถอนข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อุบาลีการชี้แจงพระวินัยห้าอย่างนี้แลไม่ชอบธรรมอุบาลีการชี้แจงพระวินัยที่ชอบธรรมมีห้าอย่าง5อย่างมีอะไรบ้างคืออุบาลี ภิกษุในธรรมวิไนนี้หนึ่งกำหนดอธรรมว่าเป็นอธรรม 2. กำหนดธรรมว่าเป็นธรรม 3. กำหนดสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิไนัย 4. กำหนดวิไนว่าเป็นวินหย 5. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไม่ถอนพระบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อุบาลี การชี้แจงพระวินัยห้าอย่างนี้แลชอบธรรมองค์ของภิกษุผู้แจกพัดสีท่านพระบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้แจกพัดประกอบได้องค์เท่าไหร่หนอแลเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค ว่าอุบารีิุษุผู้แจกพัดประกอบด้วยองค์หเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกองค์หคือ 1. ลําลำเอียงเพราะชอบ 2. ลํลำเอียงเพราะชัง 3. ลํลำเอียงเพระาะหลง 4. ลํลำเอียงเพราะกลัว 5. ไม่รู้จักอาหารที่แจก และอาหารที่ยังไม่ได้แจกอุบาลีภิกษุผู้แจกพัดประกอบได้องค์ห้านี้แลเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกอุบาลีภิกษุผู้แจกพัดประกอบได้องค์ห้าเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์องค์หคือหนึ่ง ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักอาหารที่แจกและอาหารที่ยังไม่ได้แจกอุบาลีภิกษุผู้แจกพัดประกอบด้วยองค์หนี้แลเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์ องของภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น464ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะประกอบด้วยองเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้รักษาคลังเก็บพัสดุละภิกษุผู้รับจีวรละภิกษุผู้แจกจีวรละ ภิกษุผู้แจกยาคูและภิกษุผู้แจกผลไม้และภิกษุผู้แจกของเคี้ยวและภิกษุผู้แจกของเล็กน้อยและภิกษุผู้ให้รับผ้าสาดกและภิกษุผู้ให้รับบาตรและภิกษุผู้ใช้คนทำงานวัดละ ภิกษุผู้ใช้สามเณรประกอบได้องค์เท่าไรหน้อแลเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ใช้สามเณรประกอบได้องค์หเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกองค์หคือ 1. ลําลำเอียงเพราะชอบ 2. องลำเอียงเพราะชัง 3. ลํลำเอียงเพระาะหลง 4. ลํลำเอียงเพราะกลัว 5. ไม่รู้จักงานที่ควรใช้และงานที่อย่างไม่ได้ใช้อุบาลีภิกษุผู้ใช้สา ม, มเณรประกอบได้องห้านี้แลเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกอุบาลี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 รู้จักงานที่ควรใช้และงานที่ยังไม่ได้ใช้อุบาลรีภิกษุผู้ใช้สามเณรประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์อาวาเสกวักที่13จบหัวข้อประจำวักภิกษุผู้อยู่ในอาวาสชี้แจงพระวินยัย ภิกษุผู้แจกพัดภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะภิกษุผู้รักษาคลังเก็บพัสดุภิกษุผู้รับจีวรภิกษุผู้แจกจีวรภิกษุผู้แจกยาคูผู้แจกผลไม้ผู้แจกของเคี้ยวผู้แจกของเล็กน้อยภิกษุผู้ให้รับผ้าสาดกภิกษุผู้ให้รับบาตรภิกษุผู้ใช้คนทำงานวัด ภิกษุผู้ใช้สามเณร